มาเพราะท่านทั้งหลายก็อยากจะพูดถึงเรื่องว่าเมื่อเวลาคนตายแม่ตายแล้วพวกเราก็พากันทำศพเวลาทำศพเราก็ไปให้พระท่านมาสวดแล้วพระท่านสวดอะไรท่านสวดอภิธรรมทำไมจึงสวดอภิธรรมเพราะว่าอภิธรรมนั้นเป็นธรรมมาสุดยอดของ ว่าพระไตรปิฎกก็หมายความว่าสุดยอดของพระพุทธเจ้าแล้วก็อภิธรรมนี้เกิดขึ้นอย่างไรอภิธรรมนี้ก็คือเกิดขึ้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ได้แสดงยามกะปาฏิหารซึ่งเป็นการแสดงครั้งเดียวที่ครั้งใหญ่ที่สุดในพุทธกาลนั้น มีคนจำนวนหลายโกรธเรียกว่าไม่รู้เท่าไหร่ได้มารวมกันเป็นครั้งใหญ่เมื่อพระองค์แสดงยามอกประจหารจบแล้วพระองค์ก็มาระลึกถึงคุณของมันดาว่าทำอย่างไรจะได้ไปทดแทนข้าป้อนและน้ำนมพระองค์จึงได้สเสด็จขึ้นไปบนชั้นดาวดึงหมายความว่าพระองค์สเสด็จ ไปจากเมืองมนุษย์หลังจากทำยาโมกปาเตียหานแล้วก็เมื่อเสด็จไปนั้นผู้คนทั้งหลายก็ได้พากันเห็นเมื่อพระองค์ไปถึงชั้นดาวดึงพระองค์ก็พระอินก็ได้มาต้อนรับแล้วก็มาราธนาต่างๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ไปเรียก พุธมันดาที่อยู่ชั้นดุสิตให้มาฟังเทศเพระเอ็นก็ได้ใช้เทววิศวรกรรม เ, เทวราชได้ไปเชิญพระนางเจ้าสริมห า, มายาที่ประวัติบังเกิดเที่ยนอยู่ที่ชั้นดุสิตพร้อมทงบริวารเป็นโกรธ ก็ได้มาประชุมกันที่ชั้นดาวดึงเมื่อเทวดาในชั้นดาวดึงและเทวดาในชั้นดุสิต ร, รวมกันมากมายเช่นนั้นแล้วพระองค์ก็ได้เริ่มแสดงพระอาภิธรรมเรียกว่าพระอภิธรรมเป็นคัมภีร์ที่มีความสําคัญแสดงในเรื่องความเจริญทางด้านในทางด้านจิตใจและเมื่อ พระองค์แสดงธรรมนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมเป็นเวลาสามเดือนเต็ม <c oughs> แสดงธรรมตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนกระทั่งถึงวันออกพรรษาการแสดงของพระองค์นั้นไม่ได้หยุดเรียกพวกพูดตลอดเมื่อพูดตลอดแล้วพระองค์ไปเสวยพระกริยาหารได้อย่างไรพระองค์ก็ได้เนรมิต ให้พระพุทธเจ้า เ, เทศอภิธรรมแทนและพระองค์ก็เสด็จลงมาเมืองมนุษย์มาบินธบาติสวยพระกายอาหารแล้วก็กลับคืนไปที่ชันดา ว, วดึงพระองค์ทำอยู่อย่างนี้ตลอดระยะ เ, เวลาสามเดือนก็ได้พระธรรมคือได้พระอภิธรรม 44,000 พระธรรมขันธ์ก็มีพระพิธรรมที่ท่านร้อยกรองก็มีพระพิธรรมเจ็ดคำพีที่พระท่านสวดศพอยู่ทุก ว, วันนี้แล้วก็มีการสวดพระสังฆสังฆาสังฆาหานี่คือได้รับการร้อยกรองจากท่านพุทธโฆสาท่านพุทธโฆสานั้น ในเมือเอ่อท่านไปบัตรบังเกิดขึ้นที่ เ, เมืองศรีลังกาแล้วท่านก็ได้มาร่วมในการที่ทำสังขยาาและท่านก็เป็นผู้รจนาคำพีพระพิรรมทั้งเก้าบริเฉบริเทศตทั้งหมดทั้งหมดนี้ ทั้งอภิธรรมเจ็ดคำมพี์ทั้งและพระอภิธรรมเก้าบริเขต ร, รวมกันทั้งหมดนั่นเป็นสี่0มืนี่พันพระธรรมขันธ์แต่ในที่นี้ก็จะขออธิบายสักสองข้อข้อหนึ่งขึ้นต้นท่านก็ใช้คำว่ า, า, า, ากุศลธรรมะกุศลธรรมะอพยากตารรมะ ก็ไม่ได้ลึกพระอภิธรรมก็ไม่ได้ลึกกุศลและอกุศลและสิ่งที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกุศลก็ไม่ใช่เมื่อพูดอยู่เท่านี้สิ่งที่เป็นกุศลก็คือสัรพป่าปัสกากระนงังกุศลสูปสัมปทาการไม่กระทำบาปทั้งปวงแล ะ, ะบนทางด้านกุศลก็คือ ทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมอย่างนี้แล้วก็ในที่สดพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องจิตในคำพีสุดท้ายคือคำพีมหาปัสานคำพีมหาปสานท่านกล่าวว่านันตะในเรียกว่ามีนัยยะอธิบายนับไม่ถ้วนึ้อต้นด้วยเหตุตุจเจโย คำว่าเหตุัปัจโยนนั้นก็คือมีเหตุเป็นปัจจัยนี่เป็นตัวประการสำคัญเพราะว่าทุกอย่างนั่นจะอยู่ที่เหตุทั้งหมดแม้ว่าท่านพระอัสเชะที่ท่านนำาระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแสดงให้แก่ท่านพระสารีบุตรฟังนั่นก็คือเยธรรมาเหตุปภวปภาวาแต่สังเหตุตัวสถากโต แต่สัญญโยนิโรโทจะเอวังวดีมหาสมโนพระพุทธเจ้ามีปกติตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดมาจากเหตุทำทั้งหลายดับไปเพราะเหตุก็กรองกันกันกบ เ, เหตุปัจจโยมีเหตุเป็นปัจัยทุกอย่างต้องมีเหตุเป็นปัจัยไม่ใช่เกิดมาเองต้องมีเหตุมีเหตุเกิดมาทั้งนั้นทำไมาคนถึงหิวข้าว ทำไมคนถึงกินข้าวก็เพราะความหิวทำไมคนถึงแต่งตัวก็เพราะความอายทำไมคนถึงย ก, ยกบ้านก็เพราะว่าป้องกันฟ้าฝนทำไมคนได้เกิดมาก็เพราะมีกิเลสอย่างนี้แล้วก็ตรงเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในคมภีก้าบริเขตท่านถึงใช้คําว่าจิตตังเจตสิกังรูปัง นิพพานะมีจิศสัปดาจิตตังก็แปลว่าจิตเจตสิกังก็สิ่งที่อาศัยจิตรูปังก็รูปจิตตังเจตสิกังรูปังมีเท่านี้จิตตังเจตสิกังรูปังคือกายกับใจกายกับใจนี้เป็นเรียกว่าเป็นมหาเหตุเพราะฉะนั้นเมื่อมีกายกับใจแล้วก็เรียกว่ารวมตัวเป็นมหาเหตุ เมื่อเป็นมหาเหตุก็เท่ากันกับว่าคนเราเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งทำไมจึงสำคัญเพราะว่ากายนั้นเป็นตัวประสานงานใจนั้นเป็นตัวที่มีออกคำสั่งเมื่อใจออกคำสั่งอย่างไรกายก็ทำไปอย่างนั้นทีนี้ใจนั้นประกอบไปด้วยกิเลสสามกองคือความโลภความโกรธความหลง ที่ทำให้คนหลงไหลที่จะต้องมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดถ้าหากว่ายังตัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้อยุดตราบใดก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยุดตราบนั้นแต่เมื่อหากว่าตัดความโลภความโกรธความหลงได้แล้วก็ตัดไปถึงพระนิพพานเรียกว่านิพานามีจิสัปปดาก็คือถึงซึ่งนพระนิพพาน ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดใครจะอยู่ขั้นสูงสุดก็อยู่ไปใครจะอยู่ขั้นต่ำก็อยู่ไปแต่ไม่ต้องเถียงกันเหมือนกันกันกบว่าพระพุทธศาสนาเนี่เปรียบกับว่าเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนั้นจะมียอด จะมีกา้านจะมีใบจะมีกัะพี้จะมีเปลือกจะมีแก่นจะมีรากทุกอังค่าพยบของต้นไม้มันจะมีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็จะต้องมีความสำคัญขั้นสูงก็ต้องมีความสำคัญขั้นต่ำคือคนที่ต้องทามาหาเลี้ยงชีพเรียกว่าอยู่เป็นญาติโยม หรือเป็นคนธรรมดาที่จะต้องประกอบอาชีพรักษาบ้านเมืองรักษาประเทศชาติรักษาครอบครัวอย่างนี้วันนี้ก็จําเป็นที่ก็จะต้องมีธรรมคือมีสมาธิขั้นพื้นฐานให้กับเขาและเขาก็จะอยู่ด้วยความอยู่เย็นเป็นศพแล้วก็ในท่ามกลางเมื่อ มีความสมบูรณ์พอสมควรแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำสมาธิเพื่อที่จะเอาธรรมะขั้นกลางนี่เอามาเป็นปัจจัยเพราะสมาธินั้นเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตพลังจิตนั่นจะเป็นบุญเป็นวัสนธรรมีให้แก่บุคคลทีนี้เมื่อวัสนบรรมีพอเพียงมันก็ไปถึงขั้นสุดยอด แต่ขั้นสุดยอดนั่นก็ต้องเป็นยอดเราไม่ต้องไปว่ายอดมันวิเศษนักไม่ต้องไปว่าแกนไม้นั่นมันวิเศษนักไม่ต้องไปว่ากระพี้น่มันแก่นักไม่ต้องไปว่ารากไม้มันอยู่ใต้ดินน่มันต่ำโพดไม่ต้องไปพูดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะขาดอะไรไปสิ่งหนึ่งต้นไม้ก็ตายถ้าไม่มีพร้อม เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาที่อยู่ได้มา 2,554 ปีเ็าเนี่ยก็เพราะว่าไม่ท้นไม้ไม่ได้ทะเลาะกันเปรียบเหมือน ก, กับว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ทะเลาะกันกลมเกลียวแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวมาเป็นกลุ่มก้อนมาจน ก, กระทั่งถึงบัจนี้คนที่โง่เขาเบาปัญญาตั้งหาก อวดว่าเราเนี่ยวิเศษอวดว่าเราเนี่ยดีอวดเราเนี่ยว่าเป็นแก่นคนอื่นเป็นเปลือกข้าพเจ้าเป็นแกน่นอก็ลองดูสิถ้าหากว่าแก่นน่นน่ะไม่มีเปลือกหุ้มแล้วแก่นมันก็เหมือนกับต้นไม้ตายยืนต้นมันไม่งอกไม่เงยอะไรแล้วอย่างนี้ท่อนต้จะบอกว่าอยอดมันยอดมันไม่ดี รากดีกว่าถ้ารากไม่มียอดจะอยู่ได้ยังไงถ้ายอดไม่มีจะไปรับน้ามาให้รากมันก็ไม่ได้อัญย์มันยังก็ต้องอาศัยซึ่งกันละกันเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดเขาจะรู้จักเลือกผู้ฉลาดเขาจะรู้จักว่าอันนี้มันคือยอดก็เป็นยอดไปอันนี้เป็นกะพี้ก็เป็นกะพี้ไปไอ้บางคนเนี่ยไม่เข้าใจหาบทฉลาด ว่าตัวนี่แม้ถือเคร่งครัดอวดฉลาดเกินไปอยากจะเป็นแก่นสัอย่างเดียวเป็นแก่นสัอย่างเดียวมันก็ไม่งอกไม่เงยแล้วมันก็หมดาศาสตาสนาก็คงหมดไปนานแล้วแต่ไม่ใช่เช่นนั้นพุทธบริษัทเขายังมีความฉลาดอยู่ใครจะอยู่ในฐานะใดก็ควรที่จะยกย่องสรรเสริญและ ก็สามารถจะเป็นต้นไม้อยู่ได้ตลอดการอาวสานสวัสดีสุ